ตอนนี้มาสมัยนี้ก็เหมือนกันเขามีค่ามากไม่ควรมีอยู่ในสำนักเอถ้าจะว่าไปอสำนักของเรานี่มันบานเลยนะแต่ของเหล่านี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวนะผมถือว่าเป็นของส่งท่านั้นหลายก็ต้องฟังไม่ได้นะว่าผมถือว่าสมบัติทุกชิ้นที่จะบ้านถวายพมมามันเป็นของส่ง เพราะอะไรเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมตายแต่วผมจะแบกไปด้วยหรือว่าผมไปไหนผมจะแบกไปด้วยของทุกชิ้นเวลาวัดนี่ผมอยู่มาหลายวัดเต็มทีเวลาย้ายวัดผมไม่ได้ย้ายของด้วยจะไปบ้างแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นก็ทิ้งไว้วัดเดิมครับอย่างมองโดยง่ายอย่างวัดปากคลองมาคำเท่านี่ผมก็ทิ้งไว้เยอะผมอยู่สองปี อย่างวัดสะพานมันอยู่ปีเดียวผมก็ทิ้งของไว้ตังเยอะผมไปไหนผมไม่ได้แบกอะไรไปมากนอกจากสิ่งจําเป็นเนื้อที่จะาพาดผวายไว้บอกว่าถ้าไปแล้วก็ต้องอาไปด้วยนะอันนี้ต้องแบกไปแน่เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของท่านผู้ถวายทั้งนี้อะไรก็แสดงว่าท่านผู้ถวายไม่ไว้ใจพระในวัดนั้น ท่านบอกจีิบอกว่าท่านไปไหนต้องแบกไป้วยเวลานี้มันก็มีอยู่สองสามชิ้นไอคอที่ต้องแบกแต่ผมคิดว่าผมไม่แบกไปไหนผมสร้างบ้านผมไว้ฝั่งโน้นผมไม่ไปไหนแล้วจะตายมาที่นี่้ะตายที่ไหนก็ตามเพราะมีที่เก็บสร้างไว้แล้วเป็นสมบัติของสงฆ์แต่ว่าผมก็ถือสิทธิ์ในการปกครองใครจะอำนาจหน้าที่ เอ็มอำนาจเร็วๆมาบังคับผมผมไม่กลัวใครหรอกครับเพราะผมเคยปฏิบัติในกิจการของสงมมามากเวลานี้ท่านพรท่านเห็นว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยผมคุยแบบธรรมดาธรรมด า, รรมดาผมไม่มีตกกังวลเพงานของส่งนีนผมเคยทํามาพอสมควรผมรู้เรื่องแล้วเห็นหน้าพระที่มาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนตำแหน่งอะไรก็ตามผมรู้เลยว่าดีและเร็ว แต่ว่าดีแล้วเลวก็ช่างถ้าเป็นอาวโุโสแล้วก็แสดงคละวะตามอาวโุโสถ้าเขาไม่ดีเขาก็ลงนรกไปแต่ว่าจะทำสิ่งทั้งหลายนอกเหนือพระธรรมวินัยนมาขคค่มขูนะมันสายเกินไปเสียแล้วยอมให้ไม่ได้เพราะเวลานี้ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสรัสาศนดาสมมาสมพเทจยาเส็แล้ว ไม่ได้เป็นสาวกของคนที่เมาในโลกกระทำบ้าลาบบ้ายศบ้าเรินบ้าสุขนี่ผมไม่ยอมบ้าด้วยแต่ผมก็ยังบ้าอยู่นั่นนั่งมานั่งบ้าสอนท่านนั่งบ้าสร้างนั่งบ้าแสวงหาความดีแก่บรรดาท่าุทิบริษัทได้บ้าประเภทนี้ผมมันเต็มใจบ้าสะด้วยห้าไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเลิกบ้าจะบ้ามันยันตาย ดีไม่ดีตายแล้วก็บ้าต่อไปกลับมาหลอกพวกท่านอีกใครทําอะไรไม่ดีก็จะมาสักเก็ส่เกจวันนี้คุณไม่ดีนะนี่ค่าจ้างรางวันมันก็ไม่มีก็ยังจะทําทํามันไปคนมันอยากจะบ้าทีอยังแต่บ้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงติเพราะก็เลยบ้าทรงบ้ามาันส บ, บายสบายอดีขาบททีห้าปีสุบบทําททเตียงหรือต่าง จึงทําให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วพระสุคตเว้นไม่แต่แม่แคร์ถ้าทําเกินกว่ากําหนดนี้ต้องอบัติปาาิตจีต้องตัดให้ได้ประ ม, มาณเส่นก่อนจึงจะแสดงอัปบาทตกนี่คำว่าพระสุคตในสมัยนั้นท่านสูงแปดศอกของคนสมัยโนนแค่คนสมัยอยุทยานี่ผมเคยพบท่านเจ้ายี่ถ้าแสดงตัวคนเท่าคนสมัยนั้น ผมยืนขึ้นมาหัวผมแค่นมเท่านั้นแหละแล้วถ้าถอยหลังไปทั้งสองพันปีแล้วคนจะโตขนาดไหนอาจจะเป็นสองสามเท่าถ้าเดินมาเวลานี้เราอาจจะเข้าใจว่าเปรดวิ่งหนีกันทั้งแถวก็ได้ตอนนี้เรามาถือปัจจุบันสมัยนั้นเขาถือว่าแปดแปดศอกสมัยนั้น เราก็มาเอาแปดศอกสมัยนี้คนสมัยนี้ถาวายกันโดยทั่วไปโดยปริมาณเขาถือกันว่าสูงประมาณสามศอกเพราะว่าไม่ใช่แปดศอกนี่ได้สูงประมาณสามศอกสองคนเอามาไปหกศอกยังไม่ได้แปดศอกต้องมาอีกคอนคนที่ได้แปดศอกเปราะฉะนั้นว่าถาวัดนิ้วก็ต้องวัดสองนิ้วคอน จริงจะได้หนึ่งนิ้วพระสุคดนี่พระวินัยแล้วก็ว่ากันตรงๆแบบนี้ท่านบอกว่านิ้วของท่านนี่ท่านบอกไม่ได้บอกว่านิ้วเราเนี่ยไปหลีกไปเลี่ยงเราวัดเอาสองนิ้วค้อเป็นหนึ่งนิ้ววัดให้ได้แปดจุดถ้าแปดจุดแล้วก็ไม่แค่ต่างหากถ้าไม่นับเอาขาเท่านั้นถ้าขามายางสูงกว่านั้นแล้วก็ตัดมันเสียให้พอดีพอดีนี่แตงกลัวจะหล่นเตียงมาหัวแตกขาหักกางชายอะไรมันรุ่มร่ามเกินไป นี่ถ้าไม่ไต่ก่อนตรองอบัดไม่ตกถ้าฝ่าฝืนนข้อ น, นี้เป็นอันบัดมายิตตีแกรู้หมดแล้วไม่ต้องอทิมบายแล้วโทษของอันบดนี่ต่อไปเป็นสิขาบทที่หกพิสุทําเตียงเลื่อต่างหุ้มในหนุ่นต้องเป็นอับัดฝ่าิตตีต้องรื้อถอนเสื้อก่อนอยจะแสดงอันบาดตกข้อ น, นี้ทั้งเกรงทั้งว่าไอจิตเนะี่ยมันเข้าไปยุ่งกับไอกามารมไอ้ความนุ่มนิ่มนี่ใจของเรามันเลยอยู่แล้ว พระนี่นึกว่าเนื้อผู้หญิงนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วมันทําเกิดราคักกิเลสถ้ามันนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มนิ่มไอ้จิตใจประเภทเลวๆมันจะเข้ามาฝังใจมันจะเข้ามันก็ต้นเตือนใจโชนศึกมันเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเป็นกิเลสท่านจึงห้ามถ้าฝ่าฝืนก็ต้องไปอบับดับปาจิตตีต้องรื้อถอนเสียก่อนจึงแสดงอบดับ ต, ตก แต่ว่าบางเอิงเขาไปนอนในบ้านนั่งในบ้านเขาผูกเอาหมอนอะไรก็มาให้เอาดินนอนมาให้นุมนิ่ยจะไปสั่งเขารื่นเลยพระบางองค์ในเคร่งเกินไปบอกไว้ได้นั่งไม่ได้เปน็นนบัต น, น, นั่นเรานั่งโชคราวนะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนําว่ามันทําไม่เป็นปกตินั่นเรานั่งโชคราวอย่าไปยุ่งปล่อยประเดี๋ยวเดีย ว, ยวอย า, อาจิตเข้าไปยุ่งกับมันก็แล้วกัน นั่งแล้วก็ถือว่านั่งกันเดียวหนึ่งจะเป็นนึกแล้เนือ้อคนมันนุ่มมันนิ่มไอ้ของนุ่มนิ่มมันจะเป็นของดีมันดีมันเลชที่หลายมันสร้างแต่ความทุกข์นี่เราควรจะวางกันซะได้แล้วเอาข้อต่อไปนี่มันไม่มีอะไรยากอาข้อที่เจ็ดพิสุทาผ้าปูนั่งเพื่อทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสาสองคืบพสุคดนี่ ต้องสองคืบค้อนของเราเท่ากับหนึ่งคืบของท่านแต่สองคืบประสูคตนี่มันเท่าไหรลอ่อเข้าไปห้าคืบกว่าเอาเอาเข้าไปยาประมาณห้าคือบอ่าสองคืบประสูคตประมาณห้าคืบของเรากว้างคืบครึ่งใช่หนึ่งคืบที่ผ้าปูนั่งนะไม่ใช่รนุงถ้าทําเกินกว่ากาหนดนี้ต้องบัตรปลายจิตตี เพราอะไรเพราะเราทําเองต้องทําลายคือทําให้ได้ประมาณที่ก่อนจะแสดงบัตรตกนี่ทฉานกล่าวว่าเราทําเองถ้าเราทําเองมันไม่มีผ้าเนี่ยดีไม่ดีแล้วก็จะไปขอผ้าญาติผ้าบวรณาเขามันก็ยุ่งยากขอมันลงทุนมากเขาจะดาคาลไอเรื่องการขอขอเนี่ยตระวังกันให้ดีนะอย่ารุ่มร่ามเกินไปเคยได้ยินบ่อยๆนี่ขอให้นั่นขอในี่ขอให้น่นชาวบ้านชามืองเ้าน่ะ เราเป็นพระต้องเป็นผู้มักน้อยมีเท่าไรใช้เท่านั้นอย่ารุ่มร่ามเกินไปทำเป็นคนโลภโมโทสันนี่มันลงนรกนี่สมมาสมเด็จพระสมมาสัมพุทานเจ้าแตงเกรงไม่อยากกวนใจชาว บ, บ้านมากเกินไป่าทำตาทายให้เขาตกไปต่อไปเขาเกลียดน้ำหน้าฉันแล้วข้าวมันก็จะไม่ได้กินที่ถ้าเราทำเองต้องทำขนาดนี้ถ้าชบบาบ้าเขาซื้อถาวายเท่าไรก็ได้ มันจะโตนช้างนอนได้กวช่างมันเถอะถ้าเจ้า บ, บ้านเขาจะไหวถ้าเราไปแนะนําให้เจ้า บ, บ้านทําให้ก็โดนเหมือนกันกต่เหมือนกับเราทําเองต้อระวังระวังห น, น่อยตอนนี้มาข้อที่แปดพิสุทําผ้านุ่งปิดแผลผ้านุ่งแล้วก็ปิดแผลมันต้องยาวเป็นสมมติว่าเป็นแผลที่หนกแข็งแล้วเป็นแผลที่ข้อเท้านี่มันพอจะนุ่งกันได้ แต่หาว่าดันเป็นแผลที่เท้าแล้วก็เสร็จแล้วนุ่งไม่ได้แล้วไม่รู้จะปิดได้ยังไงอเลยถ้าเป็นแผลที่เท้าปิดยังไงนะผ้ามันก็ลากดิ้นมันก็เสร็จแค่นั้นแนหะที่สุดทำา้านนุ่งปิดแผลเพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั่นคือยาวสี่คืบพระสคดโอ้โหสบายเลยคุณเลยเครื่องราตรีที่ก็เต้นรำทิชชังทิชชังทิชึังอ่ะเนี่ยมันยาวรุมรามลากไปแล้วมันยังไม่พอ สี่คือปริตคตหนึ่งคือประตูคเท่ากับสองคือครึ่งของเราสี่คือปริตคตสี่คูณสองเท่ากับแปดอีกครึ่งครึ่งหนึง่งเขาอีกสองปาไปบ่าโหบ้านแปคือสิบสองคือเศจลากดินเนื้อกว้างสองคือประตุคตถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องอบับดับปลาหยีตีต้องตัแดแหนแต่ประมาณสิ่งก่อนจะแสดงอบับตก สิกขาบทนี้ผมว่าไม่มีใครเป็นอันบัตหรอกว่าเวลานี้ถ้าเป็นแผลเขามีผ้าพันธไว้แล้วเวลานั้นพระไม่มีผ้าก็ต้องเอาผ้าสบองนี่เข้าไปปิดแผลกันมแมลงวีมแมลงวันโคดีกาวิสุทำผ้าอาดนําฝนเพิงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหกคืบประสุคดกว้างสองคืบแล้วก็ถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องอบัดปลายจิตี นี่ข้อนี้ฟังให้ดีนะผมรู้สึกบางไว้ก็เคร่งเกินไปเกินพอดีแตนบอกว่าพิสุทําผ้าอาบน้ําฝนถ้าไม่บอกว่าชาวบ้านทําผ้าอาบน้ําฝนนี่เราก็ปฏิบัติให้มันตรงแบบเถงกรงพิสุทําผ้าอาบน้ําฝนเองถ้าไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทําผ้าอาบน้ําฝนมาถวาย ต้องตีความหมายให้ดีเราทำเองอย่าทำให้มันโตเกินไปเอายาวหกคืบปเป็นตัวโคดกว้างสองคืบเพราะว่ามันเหลือแหล่มัยไนี่หกสองหกสิบสองคืบแม่แล้วก็เพิ่ ม, มอีกเท่าไหร่ะ่ะอีกหกครึ่งนี่มันก็ล่อเข้าไปสามมันก็อีกครึ่งอีกสามก็อีกหกโอ้โหเป็นสิบแปดคืบกว่ากว่ายาวเย็น เหรือแหละถ้าเรามาไว้คขึ้นเ่านี่ไม่ตรงนี่ถ้าจกเคร่งก็เคร่งให้มันจริงแต่เวลานี้ไม่มีใครเป็นอับดับเพราะอะไรเพราะชาว บ, บ้านเขาหามาถวายนี่ชาว บ, บ้านเขาหามาถวายท่านบอกไว้ตรงไหนล่ะว่าชาว บ, บ้านเขาต้องทําแค่ไหนเขามีศรัทธาใหญ่เล็กเท่าไรก็ช่างเขามันไม่เกี่ยวกับสีขาบทนี้นี่เวลานี้เห็นเคร่งกันนะัะอีกตรงนี้ เคร่งการสรงเดชได้ที่ควรจะเคร่งนะไม่เคร่งนะดันไปเคร่งไอของที่มันไม่นักอันนี้ผมอธิบายไรไม่เห็นมีอะไรนี่เวลานี้ไม่มีใครไปอําบัตแล้วผมก็เลยขุดจะพูดไปทำไมทีนี้มาข้อดีสิปิสุทายีวรให้เท่ากับยีวรนวสุกตเกินกว่านั้นก็ดีจะต้องไปอําบัตปลายิตีโอ้โห ไปทําเท่าตันยังไงแล้วพอตปฏิวัติเอ้ยไม่มีแล้วราะว่าทําเท่าพระพุทธเจ้าก็เป็นการเปรียบตัวเท่ากับพระพุทธเจ้ายังก็คนชาวบ้านเราเห็นพระเจ้าแผ่นดินแต่งแบบไหนพระราชินีแต่งแบบไหนทําเรียนแบบทุกอย่างว่าฉั้นก็คนหม่กันพระเจ้าแผ่นดินก็คนหม่กันถ้าทําแบบนั้นแต่มันสวยทุกราย นี่เราไปทำเท่าพระพุทธเจ้าเราจะห่มได้ยังไงสมัยนั้นพระพุทธเจา้าท่านสูงสแปดศอกแลต่ท่านนี่สูงไล่เลียงกันก็มีพระพระพมก็มหากระศกสูงไล่ไล่กับพระพุทธเจา้าคือใช้ผ้าด้ยกันได้แต่สำหรับผ้านนก็ตัวไม่เล็กแต่ว่าต่ำกว่าพระพุทธเจ้าสี่นิ้วโอโ้โหคุณสมัยนั้นไม่ใช่เล่นแค่แปดศอกสมัยนี้ก็ยาวเหยียดแล้ว หนึ่งศอกสมัยนั้นก็เท่ากับสามศอกสี่ศอก้าศอสมัยนี้แล้วมัง้งแมนจะเดินคนโยงเยี่ยงโยงเยี่ยงไปเลยเพราะในสมัยนั้นคนโตแค่ยุติยานี่ก็ยังโตแล้วอันนี้ก็เห็นจะไม่ต้องไป็นําบดับหรอกเรามันทนไม่ไวหวหาบัตรไม่ได้แล้วน่ะข้อสิทนี่จะเป็นําบดับตรงไห น, น ใครไปทําเวลานี้เจ็ดกขาทาขายเขาไม่ทําโตเขากลัวขาดทุนพะยิ่งทําให้เล็กลงจะขาดทุนไปนั้นว่าสิกขาบทนี้เราพ้นอัมใบทำไมได้ตอนนี้เหลือเวลาประมาณหกนาทีผมขอต่อปฏิเทสนิยะสิเลยปฏิเทสนิยะยังมีสี่สิขาบทปฏิเทสนิยะอันนี้ไม่มีอะไรแต่อบัตหนักเหมือนกัน ปติแปลว่าทวนกับเทศะแม้โทเทกลับสริโรตีวงกลับนีสี่สิขาบทคือหนึ่งพิสุ ร, รับของเคี้ยวของฉันแกจากมือนางพิสุนีที่ไม่ใช่ญาติด้วยด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องอบัตปฏิเทศนิยะอันนี้ไม่ต้องแล้วสินี่ก็เดี๋ยวหาว่าพระน่ะไปรับบ่อยๆพระผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไฟมันจะชอ็อต ถ้าไฟชอยเข้าดาสบงสเบิงจีวอนขาดหมดหลุดไม่ได้ขาดเป็เวลานี้บัตไม่มีเพราะนางพิสุนีไม่มีสิขาบทีสองพิสุชั้นอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางพิษุนีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นมาถวายเธอก็จึงเพึงไล่นางพิสุนนั้นนั้นพิสุนีองนั้นให้ออกไปเสีย ถ้าไม่ออกไปต้องเป็น้ำบัดปฏิเทศนียะนี่ก็บอกว่าต้องทําเขาเอาอย่างนี้มาให้ทำมาอย่าเอาอย่าเอาปฏิปฏวัตตอบแล้วทวนกลับเอามาแล้วจะเอาไปเทปสะไปแสดงมีปกติสแสดงเขากลับไปถ้าไม่เอากลับไปน้ำบัดพระข้อนนี่คือฝ่าฝืนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนอเวจีเอ้ยขอโทษก็เหมือนปาจิตติ ข้อนี้ก็ไม่เป็นอรนบัติหานามพิสุนีไม่ได้ข้อนีสามพิสุไม่เป็นใครเขานี้เล่งงานแหละเขาไม่ได้ในมนรับของเคียวของฉันในแต่กูนที่สองสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องอรนบัตรปฏิเสธนิยะนิรยามแล้วสิเขาว่าเสขะแปลผู้ศึกษา ศึกษาเพื่อระโสดาปฏิมักโพสกิทาคามิมักอนนาคามิมักอรหัตมักยังมักมักอยู่แบบนี้ผู้ยังศึกษาและผลเบื้องต้นโสดาปฏิผลสกิทาคายผลอนนาคามีผ ล, ก, าาผลก็ชื่อว่าเป็นเสกขะผู้กํลาลังศึกษาอยู่หรือผู้มนักบุญคือมีจิตศรัทธาก็เรียกว่าเสกขะคนแบบเพศนี้ถ้าเข้าไปเขาก็เลี้ยงแต่อย่าลืมนะ ถ้าเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้นีมนนี่ความจริงมันไม่ควรจะโผล่หน้าทำหน้าด้านเข้าไปแบบนั้นถ้าหน้าด้านแบบนี้ไม่ต้องปรับรบัติอะไรแล้วปรับลงนรกไปเลยพระหน้าด้านมีที่ไหนท่านปับปรับเป็นปบาป ต, ต่อบัาปปฏิเทศนิยะชื่อว่าเลิกนะแล้วคนหน้าด้านเนี่ยมันไปไหนนี่ไม่เป็นใข่นะ ถ้าเวลาเป็นไข้เราหากินที่ไหนไม่ได้ไปขอท่านท่านนี่เป็นเสกขะมีจิตเลื่อมใสในศา ส, สนาท่านมีความเมตตาให้นี่พระพุทธเจ้ากยกเว้นไว้นะถ้าไม่เป็นไข้อย่าเอาเขานะถ้าเป็นไข้ใช้ได้นี่พวกเราเนี่ยที่เดียวขอไข้เขาดา่ามีบ้างไหมเนะ่ะใครเขาไปเขามาเขามาจากกรุงเทพมาจากที่อื่นเห็นเขใจาดีขอหน่นขอ น, อขอนี่ขอนั่นอย่าไปทําเขานะ อย่าไปทําเข้าเขาเลื่อมใสเขาให้เองแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันไม่อดตายหรอกของใช้ในเหลือแหละแต่อย่าลืมว่า เ, เขาเข้าถวายอะไรเข้ามาแต่ของมันเป็นท้าวอนวัตถุมันทรงตัวอยู่ได้แต่เป็นของใช้จงถือว่าเป็นของสงทันทีอย่าไป น, นึกว่าเป็นของตัวและก็จดจงอย่านําของทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่บุคคลอื่น ที่เป็นครวัตมันจะลงนรกไปนะต้องนึกว่าถ้าขอหน้าหลายเหล่านั้นถ้าเราไม่เป็นพระเนะี่เขาให้ไหมนี่เขาให้เราในฐานะเป็นพระต้องเราก็ต้องใช้ในควรกระดีพระใช้เองไม่ใช่เขาให้เรามาแล้วนําไปเราไปให้ชาบ้านใช้อันนี้ท่านยังไม่ปรับปรบัิอะไรแต่ว่าลงนรก แต่บังเอิญเจอของขก็รู้เข้าสัานเก็เสียไปเขาก็จะบรรนามประสงค์ในพระพุทธศาสนาว่าเลวเหมือนกันนีม่มาข้อที่สี่พิสุทธิ์อยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นใข่ถ้าเป็นใข่ไม่เป็นไรรับของที่ของเคี้ยวของฉันที่ทา ย, ยกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อนหมาความเขามาวางไว้แต่ว่ายัง ยังไม่ได้บอกให้ก่อนด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องเป็นอวบัตดปฏิเทศนิยะอวบัดปฏิเทศนิยะนี่ก็แค่าบัดปลายิตตีไม่ได้ลดหย่อนกันลงมานี่ถ้าไม่ถ้ามันเป็นไข่ยอยู่มันหิวจับกินได้นี่ท่านบอกว่ารับมาด้วยมือตนเองถ้าเราถ้าคนอื่นเขาหยิบมาให้เราอ้ น, นี่ไม่เป็นอวบัตดตามดิขาบทนี้ นี่ความจริงพระวินัยนเนี่ยท่าก็เปิดช่องไว้ให้ให้ปฏิบัติแค่สบายๆไม่เคร่งเครียดเกินไปให้มองดูเวลาีนเวลาสี่สิบสี่นาทีผ่านไปซะแล้วเ ด, เดี๋ยวสัญญาณบอกเวลามันก็กริ๊ดนี่ผมกลับเอาสิขาบทที่นตกฝนตกหนักๆฟังมาถนัด เมื่อกล่าวโทวนให้ท่านฟังก็เพื่อย้ายวันดาท่านนำได้รับฟังให้เขา้าใจชัดแต่คราวนี้พูดช้ากว่าคราวก่อนคราวก่อนพูดงดเดียวสิบ เ, เรียกว่ายี่สิบสองสีขาบทวันนี้พูดสองงดได้ยี่สิบหกสีขาบทก็เพื่อจะมีเวลาจํำได้เสียงที่พูดในกายคราวก่อนก็รู้สึกมันไม่ดีคราวนี้มันจะดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เอากันเพื่อฟังชัดๆสึกหน่อยดีกว่าก่อนจึงขอย้อยม า, ข, าขึ้นต้นใหม่ก็ขอมันขอภัยบรรดาท่านนังหลายที่รับฟังด้วยเอาราฐานในฐานะที่ท่านนหลายเป็นเพื่อนสาธรรมิกะผมถือว่าท่านเป็นเพื่อนกับผมแต่ผมถ้ามีภาษามากกว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่แต่พี่ผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนพี่ในฐานะที่มีอาวุโสกว่าแต่เป็นเพื่อนกันที่เรามาปฏิบัติ ตามพระธรรมพระวินัยเขา อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามตั้งใจดีเขไว้คำว่าไม่เป็นไรในพระวินัยจงอย่าคิดถ้าไม่ว่าสิขาบทน้อยนิ ด, นดสิขาบทเล็กๆก็จงอย่าประมาทถ้าฝ่าฝืนคำสั่งสอนเขา อ, องค์สมเด็จพระบรมโลกกนาดท่านไปนะรกแน่ไม่มีได้มีโอกาสมานั่งดูดาวดูเดือนอีกนานนักหนาะ อาจารย์สหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วขอลาท่านขอความสุขสวัสดีการเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเสนแล้วขอท่านหลายจึงเข้าถึงธรรมในองค์สมเด็จพระปดิเสกแก้วถิ่นตามพระพุทธเจ้าเถิดญาควารรมนพระวินัยเลยสวัสดีท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันถึงวินในนี้ว่ากันโดยมันญาติ เรียกกันว่าเสขียวัตเสขียะประการศึกษาวัตระการปฏิบัติหรือว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่อการศึกษาหรือว่าศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่อความดีองค์สมเด็จพระจีนสีให้นามาเสขียวัต <c oughs> เต้นเต้นกล่าวไว้ตามพระวินัยอย่างนี้ว่าวัดที่ดีสุดจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัดไอ้วัดตัวนี้เป็นวัตระแปลว่าปฏิบัติเพื่อศึกษาไว้เพื่อการปฏิบัติเสขีวัดนั้นท่านจัดไว้เป็นสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารธุหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปริสังยุต ัมที่สามเรียกว่าธรรมเทสนาปฏิสัยุตต์โมที่สี่เรียกว่าปะกินกะความจริงน่ายเห็นใจพระอรหันต์ทั้งหลายที่พาการรวบรวมระธรรมวินัยเข้าไว้แล้วก็น่าเทิดทูนความดีพรองค์สมเด็จไปจำจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อองค์เองทรงพ้นทุกข์แล้วแต่องค์สมเด็จปฏิบติแก่แทนที่จะหาสแสวงหาความสุขคือเข้าสู่พระนิพพ า, านแต่ผู้เดียวพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นอย่างเที่ยวโปรตเที่ยวโปรดสอนพุทธบริษัทการเที่ยวโปรดสอนนัะยากแสนยากบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องนอนกลางป่านอนในถ้ำนอนบนเขานอนโคนต้นไมนนนาา้นอนในป่าช้านอนในป่าชัดนอนในบ้านร้างจังกว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยตามสมควรกว่าเขาจะเลื่อมใสแล้วก็ดูฐานะขององสมเด็จพระจอมไตร <c oughs> <c oughs> เดิมพระองค์เป็นลูกขังกษัตริย์แด้วระต้องม า, าดําบาทโคโฮเราเร า, เราพุทธบริษัท หากว่าท่านมีความเมตตาปราณีอย่างนี้เรายังสร้างความไม่ดีก็ไปที่หน้าชิดาย้แล้วอาจจะไปที่หน้าพอใจเขมรดาพวกควบคุมนรกทั้งหลายที่จะได้พี่เหลืองหัวโล้นลงไปอยู่ในนรกเวลานี้มากแล้วเพราะท่านนั้นหลยอย่ายไปแย่งที่เขาอยู่เลย เขาจาหาว่าพระดี้แย่งทรัพย์สินของเขาแย่งสถานที่อยู่ในเมืองนรกอย่าไปรบกวนเขาเลยเราเป็นพระเวลานี้อยู่เมืองมนุษย์เราก็ต้องขอชาวบ้านเขากิน <c oughs> ขอชาวบ้านเขาใช้เขาปลูกที่อาศัยให้ภาผ่อนทานส บ, บายเขาก็ต้องหาให้อา ห, า, ห า, ารก็ให้ยารักษาโรคก็ให้ความจำเป็นอย่างใดที่ชาวบ้านหาให้ก็ให้ด้วยความเมตตาปราณี เรารบกวนแต่เจ้าบ้านเพียงเท่านี้แต่ปฏิบัติความดีจะเป็นการสนองคุณก็เป็นการสมควร <c oughs> รวงความว่าเรารบกวนแต่มนุษย์เถอะจะไปรบกวนสัตว์นรกเลยเขาอยู่กันแบบสบายๆเวลานี่พระไปะแย่งที่เขาอยู่มากมายเหลือเกินบางองค์ก็มีฐานะใหญ่ใหญ่กว่าเกินกว่าที่เราจะคิดว่าท่านจะโดนนรกเวลาที่ท่านอยู่แล้วก็กราบกลานท่าน ลีลาของท่านเนียมนาฏวาสนาหนักเหมือนกับท่านว่าจะเป็นพระราชาของพระจะเป็นพระพุทธเจา้าเสียเองเวลาท่านดีท่านพูดดีเวลาให้เราไหว้คําสอนก็รู้สึกคนหน้าฟังห น, หน้าเคารพหน้าเลื่อมใสหน้าไหว้หน้าโบชาด้วยก่อนพระธรรมนาฏวาสนาบารมีที่ท่านมีอยู่ก็คมขู่พวกเราเสื้อกลัวหงอแต <c oughs> ่เวลาตายลงไปแล้วดันไปอยู่ในนรก เพราท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติทำจิตให้เข้าถึงจุดท่านจะพบเองแล้วท่านตรวจผมด้วยว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยโกหกท่านหรือเปล่าแต่ทําใจให้เข้าถึงจุดเสียก่อนนะถ้าเล็กๆกเล็กน้อยอย่าไปแตะไปต้องเข้ากําลังยังไม่พอไปที่จะโกหกตัวเองแล้วก็จะลงนรกไปเสียด้วยถ้าเรามาคุยกันเรื่องเสเกเทวัด คือข้อปฏิบัติที่พระควรจะศึกษาเพื่อปฏิบัติตนอันนี้เขาเรียกกันว่าอบัตรทุกกฎอย่าลืมนะโทษของอบัตรทุกกฎมันกดให้จมลงมันไม่ได้พยุงขึ้นและอย่าไปเชื่อนักปริยัตินี่ยก็บอกว่าบัตรทุกกฎมันเล็กน้อยนี่ผมเคยได้ฟังมาแล้วและผมเป็นนักปริยัติมาก่อนยัดไปยัดมายัดมายัดไปยัดทำท้องอืดท้องเสีย ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรอกเราเป็นปริยัติและก็เป็นปฏิบัติด้วยจะได้ช่วยจิตใจของเราให้เข้าไปควบคุมเพืตรวจสอบคําสอนของพระเจ้าตามความเป็นจริง <c oughs> นี่ท่ว่ากเป็นคู่ในตอนตน้นในตอนต้นที่เรียวกว่าสารูปมียี่สิหกสี่ขาบทสี่ขาบทที่หนึ่งกับที่สองท่านบอกวา่าพิสุทึงพึงทําการศึกษาว่าเราจะนุ่งหรือว่าจะหม่ม ให้เรียบร้อยนี่การครองผ้ากาสาวพัตถ์ทำให้เรียบร้อยแย้มารุ่มร่ามรงรัรงคืนไปทําให้เป็นสมณะสารูปในกลุ่มไหนแล้วอยู่ในกลุ่มไหนคณะไหนก็ห่มเขานุ่งกันแบบไหนแล้วก็หม่มนุ่งแบบนั้นเพื่อเป็นการไมการเป็นการไม่ขัดใจกันไม่ทําจิตใจให้หมัวหมองถ้าเราไปฝืนเข้าเขาว่าเราเราก็ใจไม่สบายใจไม่สบายใจสมองไปไหนมันก็ไปนรก จิตแต่สังิีนิเถ ท, ทุกติปฏิกางขามารมใจส้หมองแล้วก็ไปสู่ทุกติเราไปสู่ทุกติเขาก็ไปสู่ทุกติช่วยกันให้รงนรกอย่าอย่าทำจงอย่าทานะจําไว้ว่าเราเป็นพระเป็นมิสูเป็นสมณะนี่ข้อดีสามกับข้อดีสี่ท่านบอกว่าเราจะต้องปิดกายด้วยดีในขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน นี่หมายกวาาเนื้อไปโชคราวนั่งโชคราวทำผ้าให้เรียบร้อยจะเวิกหน้าเวิกหลังแต่ว่าถ้าอยู่ น, นานๆต้องค้างคืนอันนี้ท่านบอกว่าเปลื่องผ้าได้แต่ควรจะเปลื้องแต่จีวรจะไปเปลื่องสบงเขาด้วยมัท่าจะไม่ดีอันนี้ก็ควรปฏิบัติก็เป็นการรักษากําลังใจเขอมันรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนา แต่ที่ไหนค้าเคร่งเกินพอดีก็อย่าไปมันสร้างความลำบากถ้าเขาเคร่งพอดีพอดีเดีวก็ไปเถอะนี่มาข้อดีห้ากับข้อดีหกทัางจัดว่า